ดิอเล่นกันเล็กน้อยเลียวหาเลี้ยวคกันเนี่ยเลี้ยวเบานลยแฟช่นนคะเป็นแบบคนเราจะไม่มีความทุกข์นะคะก็สาวสวยที่เขาเพียบพร้อมสูกสุงแดบ คอบครัวก า, ารงานแบบเป็นคือเียงที่ไรก็มีแต่ความสุขแบบนี้นะคะดูเหมือนว่าคือมันคงไม่มีความทุกข์แน่ความทุกข์จริงๆมันไม่ได้เกี่ยวกับมีเยอะนะถ้าถ้าถ้าก า, ารมีเยอะเราไม่ทุกคนรวยก็คงไม่ทุกใช่ไหมเพราะอะไรแต่จริงๆแล้วทุกตรงนี้คือภายในล่ะคะ่ะทุกเพราะความไม่ได้หลังใจล่ะคะ่ะทุกเพราะความทัดผ้า ต่อให้รวยแค่ไหนแต่ถ้าเมื่อไหรที่ใจมันไม่พอมันก็ทุกข์เหมือนเดิมต่อแต่กับกันที่เรามีไม่มากแต่ใจเราพอมันทุกข์ไหมก็าต้องวกกลับมาถามใจตัวเราเองต่อให้บางคนเนี่ยมีร้อยล้านมีทุกอย่างแต่ใจดำเนินไปด้วยปัญหาอยู่ตลอดเวลา มันก็ทุกข์เหมือนเดิมนะเพราะว่าความรวยคำว่าเศรษฐีจริงๆมันไม่ได้เฉยใช่ใช่คาว่ามีเยอะนะแต่อยู่ที่เรารู้จักให้คนอื่นนะคะคนที่คำว่าเศรษฐีจริงๆคือคนที่ให้คนอื่นใจที่ให้คนอื่นรวยจริงๆคือคนที่กล้าสละให้คนอื่นไม่ใช่ว่ามีเยอะๆถึงเป็นเศรษฐี แต่มองกลับมาดูใจเราสิเราเป็นอะไรทีเนี้ยเราสร้างอะไรให้ตัวเองเราต้องวกกลับมาดูตรงนี้เหตุทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำไม่ว่าจะเป็นการทำอะไรลงไปเนี้ยสะท้อนกลับมาหมดนะเริ่มจากตรงนี้แล้วก็กลับมาตรงนี้ดาคน อ, อื่นคือดาตัวเองนีเปล่ยทำไม มันถึงถ้า พ, พูดพระพุทธเจ้าบอกว่ า, วาถึงรวยทำไมมันถึงไม่หมดนะคะมันควรที่จะหมดในาความรู้สึกมันหมดแค่สิ่งที่ให้แต่ความรู้สึกนี่แหละใจที่ให้นี่แหละวัตถุมันอาจจะหมดไปนะเอาของให้คนอื่นแต่ความรู้สึกอ่ะที่มันติดในใจมันหมดไห ม, ไมถ้ามันหมดพระพุทธเจ้าไม่สอนนะอยากรวยให้ทานอยากยังไง เอออยากเื่อให้ถือสินอยามีปัญญาให้ภาวนาพระเจ้าสอนชัดเจนทุกอย่างแต่เราเลือกทำอะไรต่างหากงานทุกอย่างหนักหน่วงแต่งานที่หนักหน่วงที่สุดคือเอาตัวเองเนี่ยออกจากทุกจะทำยังไงทีเนี้ยเพราะมันทำทุกสิ่งทุกอย่างทำลงไปเพื่อตัวเองทั้งหมดแล้วเปล แต่สิ่งนี้พเจ้าสอนคือการเดินเข้าหาทุกข์ทีเนี้ยเราอยากพ้นทุกข์แต่เราไม่อยากเจอทุกข์มันจะเป็นไปได้ไหมไม่ไ อ, อนวันหนึ่งเรามาเริ่มเข้าใจว่าการเรียนรู้ทุกข์นี่แหละการเรียนรู้ทุกข์ทุกแง่ทุกมุมนี่แหละมันถึงจะออกจากทุกข์ได้ไม่มีประการอย่างนืง่นไม่มีอย่างอื่นเลยต่อให้บ้านหลังใหญ่ ต่อให้มีทุกสิ่งทุกอย่างแต่ความทุกข์อยู่ในใจยังคงมีอยู่นะเพราะมันยังมีตัวเรามีอัตตาที่ที่ยังรักษาตัวนี้ไว้ยีเลดเด้งคลองหัวใจอยู่ทุกเหมือนเดิมถ้าจะเปรียบเทียบผู้เจ้ามีภาษาส า, าวมืดูเป็นกษัตริย์ไม่เคยเจอหรอกความลำบากใช่ไหมละ่ะแต่ทําไมแสวงหาทางออกจากทุกข์ในเมื่อเราถ้ามองด้วยความหยาบหยาบเนี่ยคือมันไม่มีอะไรน่าจะทุกข์อะ เพราะอะเพราะบารมีที่สังสมมามันดิ้นรนทุกอย่างเพื่อที่จะออกจากสิ่งพวกนี้ถ้ามันสุขทําไมมันต้องวิ่งหาต้องวิ่งหาตัวอื่นมาเสดมันจะดีกว่าไหมถ้ามันไม่ต้องวิ่งหาอะไรเลยเพราะว่า คือโดยทั่วไปเรามองไม่เห็นตรงนี้นะคะคือเราไ<ร>ปเห็น<อ>คนเราเอาความเพลินเป็นความสุขความทุกข์ของเขาคือความไม่ได้ดังใจความทุกข์คือความลําบากแต่ทุกจริงจริงมันคือใจนะะั่นแหละไม่ได้เกี่ยวกับภายนอกนะถามสิได้ไหมเวลาควมไม่พอกันขึ้นค่ะความไม่พอใจ ความโกรธเกิดขึ้นืออันเกิดขึ้นก็คือก็คือทายังไงให้มันแบบดับไปโดยเรียวสติเขาพี่ผมกติปัญญาตัวเดียวเท่านั้นอย่างอื่นไม่มีทางดับอารมณ์พวนี้ได้ต้องคิดมาดูลมมาเราต้องฝึกใช่ฝึกถ้าเราสติเราเริ od, autistic, or, ่มมีกำลังเราจะเห็นเลยว่าอาการโกรธเนี่ยมันจะหายใจแรงขึ้นก่อ ในเมื่อลมหายใจเราผิดปกติการที่เรามีสติอยู่กับลมมากๆเราจะเห็นทัดเลยว่าเวลาลมเราผิดปกติยังไงเหมือนรถที่มันเปลี่ยงเกี้ยป์ติตัวนี้จะทําลมยาวเข้ามาตัดเนี่ยมันจะเห็นไปในลักษณะอาการอย่างเงี้ยมันจะเห็นตัดต่อหน้าต่อตาเราเลยแต่คนเราที่มันพอพอมันมันมันโกรธมันเป็นกําลังเต็มที่ขึ้นมาแล้วค่อยดับมันเอาไม่ฟังหรอกมันต้องเห็นก่อน แต่โดยธรรมชาติทีนี้ถ้าโกรธมาแรงๆปุ๊บมันต้องโกรธเผาจนสุดแล้วมันค่อยเห็นดีหลังนี่คือสติมาไม่ทันทาลังสติยังมาไม่ทันแต่เราฝึกตัวนี้ขึ้นมาเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะทันแต่บางคนอาศัยการคิดแบบไม่ได้ฉันไม่โกรธมันก็เหมือนทุเราเบาบางแต่มันไม่หายอ่ามันไม่หายเลยทันที สิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับเราเรียนรู้ทั้งหมดเลยอย่าลืมนะเราหายใจอยู่แล้วเราหายใจอยู่แล้วแต่เราไม่เคยเอาสติมาดูเราไม่เคยอยู่กับตัวเองไม่เคยรู้เลยว่าเราหายใจยังไงแต่เราพุ่งออกไปตามอารมณ์และความคิดอยู่ตลอดเวลาทำงานอยู่ตลอดเวลาไม่เคยเห็นเลยว่าตัวนี้คือเห็นไม่เคยเห็นว่าอะไรเป็นเห็นความทุกข์เกิดขึ้นยังไงความไม่ทุกข์เกิดขึ้นยังไงไม่เคยเห็น เพราะระบบตัวนี้ปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาเราไม่เคยเห็นช่องต่อันเลยแต่พอสติเรามีเริ่มมีกําลังขึ้นมามันจะเริ่มเห็นตัวนี้เริ่มเห็นภายในสติมีกำลังก็มาจัด ก, การจะเลใช่ค่ะจะเลลงเลยทั้งวใช่ค่ะการที่เรามีารู้ลมนี่แหละ ท, ทางนี้ท า, ทาน้า เ, ดานาเดียวค่ะทางสายเอกและถ้าสายเดียวเี่ยสีนมาธิปัญญารวมกันเป็นหนึ่ง มันถึงจะตัดอารมณ์ได้บางคนบอกอา้าวก็รู้นะแต่ทําไมอารมณ์ตัดไม่ได้บวกเข้ามาที่ฐานเดิมอะไรผ่าดไปสินครบไหมสมาธิตั้งมั่นหรือ ย, ยังทําต่อเนื่องหรือ ย, ยังบวกเข้ามาที่เหตุถ้าวันหนึงเราทําเห็นมากพอผลมาเองนะไม่ต้องหาแต่ถ้ามันยังไม่เป็นผลนั่นคือเราทําเห็นไม่มากพอมีแค่นี้แล้วการดูจริงๆเนี่ยมีสติจริงๆไม่ใช่คิดนะ ไม่ใช่อารมณ์ตัวนี้ขึ้นมาเอาความคิดตัวนี้อย่างมาแก้โกรธขึ้นมาเอาไม่ตามมาแก้มันมันแค่ทุเราแต่มันยังเป็นคิดแก้คิดอยู่ไม่ใช่มันไนมะ่หายเหมือนมีอารมณ์กลามขึ้นมาเอาอสุภะขึ้นมาแก้มันแค่บรรเทาแต่มันไม่ไม่ไม่ลื้อลาบถอนโคนมันออกมาจริงๆมันจะลื้อจริงๆก็ต่อเมื่อสติปัญญาเราตั้งมั่งแล้วเนทะ่านั้น การสู้จริงๆไม่ได้สู้กับิงอื่นอย่างอื่นเลยนะสู้กับตัวเองนีง่แหละไม่ได้สู้กับของอย่างอื่นเลยนีย่เหรวะแกเลยหลงกั้ยแต่สู้ที่แท้กิคือ ส, สู้กับตัวเองอสู้กับการามัจริงๆนี่คือ คือคือคือจิตใจของเราเองนี่แหละคือนิสัยเราเองนี่แหละคืออนุสัยเหมือนย่คมเนี่นยยี่คมทานเชื่อเหลือคนอื่นจนเป็นนิสัยทําในสิ่งที่คนอื่นทําได้ยากแต่ทำไมยิ่คงทําเป็นเรื่องงา่ายเพราะการทําซ้ําๆนี่แหละนี่แหละอนุสัยทีนี้ยถามตัวเองว่าเราอยากเป็นอะไรสิ่งไหนที่เราทํําทาซ้ําๆนั่นแหละ มันเป็นไปไม่ได้เลยนะที่เราอยากพ้นทุกข์แต่เรานั่งคิดเอาสิ่งเดียวที่เราจะเจริญขึ้นคือสติสติมากปัญญามากตัวนี้โดยเดียวที่จะตัดกระแสดได้ศีล ส, สมาธิปัญญาทางส <c oughs> ายเอกสายเดียวว่างไหนกบินนัทมันเป็นเราเด้อเองมันค่า มันคาเพราะตัวนี้คือรากเงาของการเกิดถ้าค้นออกจากตัวนี้ได้คืออนาคามีระดับนันเลยนะครับใช่าการได้มันไม่ได้ใช้คาว่าตัดด้วยนะแต่มันจะขึ้นมาโดยที่มันไม่มีทางซั่วแล้วเราจะรู้เลยพี่น้อน์ว่ามันรุนแรงกว่าปกติเวลาตัวนี้ขึ้นมาจากที่เราเคยเคย เคยปกติเราจะรู้เลยว่ามันรุนแรงขึ้นมาสิบเท่าร้อยเท่าเรารู้เลยตัวเราเองเลยว่าผิดปกติทำไมมันแรงขนาดนั้นแล้วทำไมการสู้อย่างเนี้ยทำไมมันถึงทรมานเห็นชัดได้เลยว่าโอ้โหนีหน้าที่มันเป็นลากเง่าของการเกิดมันทรมานมากพยามาลจริงๆมันไม่ได้มาเต้นรูดเสาให้เราดูเหมือนใหา่นะไม่ได้มา แต่มันจะออกมาเป็นอารมณ์และความคิดความปรุงแต่งเป็นอารมณ์ขึ้นมานี่แหละเหมือนมันเหมือนมันจะเอาให้ได้แต่มันแรงมันทร ม, ม, มานมากเพราะไอ้การการเกิดเนี่ยอย่างที่เหมือนกต่เราเกิดมาเพราะการใช่ไหมใช่มันก็เลยเป็นอะไรที่นนคือตอนที่เรามีเอาอกันมันก็ไม่ได้คิดหรอกว่า เราจะเอาลูกเอาเพื่อลูกนะไม่มีใครเช่อย่างงั้นหรอกใช่ไหมฉันจะทําเพื่อลูก <c oughs> มันมีแต่มัน <c oughs> มีแต่อารมณ์ดูนี้ล้วน <c oughs> มันก็เลยเกิดท้อตัญหาแต่และคนจะเกิดท้อตัญหาของพอของแม่มันเป็นแดนเกิดลากระลากราลาเก่าลากเก่าของการเกิดนีกก่แหละ เหตุวิ่งจริงมันถึงมันถึงทรมานครูบาอาจารย์เคยอ่านเจอนี่ครูบาอาจารย์ก็สู้มาสาหัสแล้วที่มันมันคือมันโอ้โหมันไม่เคยเต็นอะทำไมมันหนักหน่วงขนาดนี้โอ้ยให้ลงรายละเอียดเลยมันหนักหนักมากแต้นสาหัสรู้เลยว่าโอ้โหถ้าผ่านพวกนี้ได้นะมันมันมันเหมือนเราเดินมาถึงเลยครึ่งอะ โอ้โหทรมานมันขึ้นมาแต่ละทีนี่แบบเหมือนเหมือนมันแท่งอะไรเสียบลงไปเลยแบบเดินเดินนี่นี่ต้องหยุดนี่นัด <c oughs> มันโมโหได้แน่แน่แน่จรจริงเนาะหุนหินะมันหุนหิตอยู่แล้วแหละแต่แต่ณตอนนั้นพี่น้องจะไม่หุนหิตพี่น้องจะกลัวเพราะมันทั้งเก็บทั้งกลัวทั้งแบบ ทำไมมันขนาดนี้รุนขังตัวเองไว้ในห้องนะเพราะว่าความคิดปรุงแต่งมีกำลังมากแค่หลับตาลงแค่มองเห็นอะไรนี่คือมองเห็นหมามันี้จะเอาเลยไม่ใช่คนนะสัญญาที่อะไรที่มันฝังเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มันจะขึ้นมาหมดเลยไม่ได้สู้กับกับใครเลยนะสู้กับอารมณ์ตัวเองสู้กับสิ่งภายในล้วน เราสั่งสมอะไรให้ตัวเองมากแต่ละคณะทีเนี้ยมันน่ากลัวตรงนี้แหละร่างกายเนี่ยเรายังเลือกกินนะที่คงนะเลือกกินอาหารที่ดีอาหารที่มีประโยชน์ <Okay. S 2> เลือกหาอาหารเสริมให้มันกินแต่จิตเนี่ยเราเสพอารมณ์มั่วเลยนะถ้าไม่มีสติแล้วมันเสพแต่อารมณ์ขยะด้วยทีเนี้ย แต่อย่าลืมนะกายเนี่ยทิ้งเนี่ยลอไม่ดูตัวทยตัเา่กะดงโหลโหลโหลโลดังปะ ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะใว่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะใชะใะค่่ะค่ะใช่่ะใ่ใคค่ะใะค่ะค่ะคคค่ มาขาดเลยค่ะมันคิดมารู้ละทั้งดีและไม่ดีเลยขาดทังันอาจี่รงขึ้นทบนเมป็นือนเย็เยนเนหมตัวตัวที่เกียที่ติดเองิด้นฟังนี่อดึงเลยดึงกลับมาที่ลมเลยกลับมาที่ลม แต่ต่อให้มันไม่มีอะไรทำทาตัวนี้ทิ้เราอย่าไปติดกับอริยบทแบบเราต้องนั่งสมาธินะเราค่อยค่อยดูลมแต่เราทำสติให้ต่อเนื่องเอาสติตรงนี้เป็นบาทฐานอย่ากเกี่ยวกับต้องนั่งต้องเดินต้องอะไรแต่ทำทุกขณะที่ระลึกได้เอาลงต่อลมให้มันได้พูดเจ้าผเจ้าพูดถึงอนาปนานสติพูดได้ละเอียดละออมมากเลยนะ หาไปตั้งแต่ถ้านั่งสถานที่นั่งผู้เจ้าบอกตั้งกายตรงดำร ง, ง, งสติให้มัน่นอะไรอหนูจาไม่ได้ภาษาคือคือตาเนี่ยจะลืมก็ได้จะหลับก็ได้ไม่ไม่ไม่ใช่ว่าต้องหลับตาอย่างเดียวแต่คือหาความพอดีให้ร่างกายหาความพอดีให้ร่างกายแล้วทีเนี้ยผู้เจ้าสอนให้เรื่องสอน หายใจเข้ายาวออกยาวรู้พูดถึงเรื่องลมลมยาวก่อนลมยาวยังไงอ่ะทําไม่สุดหายใจเข้าลึกๆรู้หายใจเข้าลึกๆออกรู้เข้ารู้ออกรู้เข้ารู้ถ้าหัดไปใหม่เอาสักสิบนาทีก็ได้อันดับแรกลมยาวอันดับสองลมสั้นอย่างเงี้ยลมยาวเนี่ยเราหายใจแรกๆยาวเราจะรู้เลยว่าพอเราหายใจยาวปุ๊บร่างกายจะร้อนขึ้นมา อุณหูมิจะผิดปกติร่างกายจะร้อนขึ้นพอมาหายใจสั้นก็ยิ่งติดอัดขัดเครื่องเนี่ยมันจะเห็นชัดอันนี้สามวางเลยเนี่ยรู้รู้พร้อมเฉพาะกายนะากายที่พระเจ้าพูดคือลมหายใจกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายคือลมหายใจของเราเนี่ยทีนี้พอเราทำลมยาวทำลมสั้นมันเหมือนจะทำคือให้มันคุ้นเคยกับลมอะ ให้มันรู้จักหน้าตาของลมก่อนพอทําเสร็จมันจะเหนื่อยมันจะเหมือนเอาคือมันเหนื่อยอ่ะทํายาวแล้วก็ทํากันเหนื่อยมากนะทั้งที่มันตลกตรงที่เราหายใจอยู่แล้วแต่เราไม่เคยเอาสติมาดูแต่วันหนึ่งเราเอาสติเข้ามาอยู่กับลมเนี่ยเหนื่อยเหนื่อยมากแต่บางคนทําเหนื่อยหน่อยก็ไม่ทําใช่แล้วพอพอที่สามสังเกตดูลมดูเข้าไปเลยทีเนี้ยมันจะเห็น มันจะเห็นเลยว่าลมเป็นยังไงเราความมาที่เราหายใจเป็นยังไงแล้วสังเกต ว, ว่าเวลามีอารมณ์ลมเคลเืยยงงลล่อนยังไงอารมณ์โกรธมาขึ้นมาลมเปลี่ยนยังไงแรงไงร้อนยังไงดีใจลมเป็นไะจังหวะยังไงเรียนรู้ลมทุกแ ง, ทกง่ทุกมุมเดี๋ยวมันจะวางของมันเองทีเนี้ยไม่มีประการอื่นนะ พรทุกสิ่งทุกอย่างดําเนินไปด้วยลมนี่แหละเน่ผม เ, เคยเคยลองดูเวลามีอารมณ์กรรมแล้วลองกําหนดลหมหนยใจดูเหมือนเหมือนมันช่วยได้จริงๆครผมลองกำหนดชา้าๆช้าๆยาวกว่าปกติลงไมันช่วยได้จริงๆเราจะเห็นเลย<ม>ว่าอารมณ์ทุกอารมณ์ทุกอารมณ์เลยนะอารมณ์อะไร ถ้ า, าอารมณ์สติที่เรามีหายใจเข้ชาชา้าๆทําลมเบาชา้าๆมันจะเป็นเหมือนกําลังของแล้วลมลมบับาแหละจะไปชะลออารมณ์ลมเบานี่จะดับอารมณ์ถ้าลมเองเริ่มมีกาลังเราจะเห็นเลยมันชะลอกันได้จริงจริ ง, ร ง, รงเห็นเลยตัวนี้คเครื่องกั้นกระแสโลกโลกตัวนี้คืออารมณ์ทีนี้ เราทำลมประการเดียวเนี่ยทำสติตัวเดียวเนี่ยยวปัญญาเนี่ยของมันเองแต่ที่มันตอบไม่ได้มันเหมือนครูบาอาจารย์พูดขุดยังไม่ถึงเดียวเขาทำอะไรไม่ไหว นีับอือนะคะทําไมเวลาร่างกายของเราพอเวลาร่างกายเหนื่อยอ่ะคะ่ะทําไมสติมันถึงไม่กลับมามามาดูที่ร่างกายโดยอัตโนมัติอย่าลืมนะจิตกับกายมันเนื่องกันแต่คนที่ไม่เคยฝึกมันจะเป็นหาจิตอารมณ์ดูนะเวลากินข้าวทําไมสติตั้งมั่นเพกายกับจิตเนื่องกันกาย ยิ <emás S 1> ่งกินเยอะยิ่งความฝืนกำลังมันจะเป้นนี่คือมันมันเหมือนกําลังมันจะเป็นยิ่งคือมันมันมันเหมือนกําลังมันจะเป็น ไม่ออกข้างนอกเลยขอให้ไม่ทำอะไรไม่มีรถอะไรฟังผสืบพนุ์เองเด็กแต่านมมีทางเพราะว่ามันเริ่มเป็นเองห้กชีเจ้นคะอย่างอย่างอย่างอย่างที่นักชีเจ้นบอกในเรื่องของอารมณ์ ความทุกขความทุกข์อะไรอย่างนี้นะคะถ้าถ้าเราดำรงคิดไปมันกับว่าแสดงหาความสุขนะคะอืมพอเรามีทุกข์แล้วก็ออกไปทําอะไรไปเที่ยวหรือไปอะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นมันก็พอจะดำรงไปได้อยู่มันเป็นมันมันมันมันไม่ใช่ความสุขแต่มันเป็นความเพลินมันเอาอารมณ์นึงอารมณ์นึง ทุกอย่างมันดำเนินไปด้วยปัญหาแต่มันจะดีกว่าไหมถ้ามันสุขจริงๆทำไมมันต้องวิ่งหามันจะดีกว่าไหมที่มันไม่ต้องวิ่งหาอะไรเลยสุขจริงๆมันต้องอยู่กับที่ไม่ได้เสียเงยินเสียทองหรอกแต่เราหามันไม่เจอแค่นั้นเองมันโดนความชิลอารมณ์ทับถมไว้ทั้งหมดคือแค่หยุดเฉย มันไม่ใช่แค่อยู่เฉยๆมันต้องดำเนินไปด้วยสติปัญญาเดีจยวสังเกตภายในเองเราไม่เคยหยุดเลยนะเราไม่เคยว่างเลยนะแม้แต่การที่เราหันเข้ามาภาวนาเนี่ยดำเนินไปด้วยตัณหั้หมดฉันมีภาวะฉันได้ภาวะฉันดูลงเพื่อที่จะสติแต่ทํายังไงเราจะทําเป็นหน้าที่ทํายังไงเราจะทําเป็นนิสัย นี่ใสตัวนี้จะเจริญขึ้นทีเนี้ยก็เหมือนนี่คนทําไมเขาทําบางคนแบบอู้หูทาไมทําได้แต่คือเขาทําเป็นนิสัยอ่ามันก็เลยเป็นเป็นเรื่องง่ายสําหรับเขาเหมือนกันเรามาเจริญสติเนี่ยทําเหมือนเต่าตื่นทีหนึ่งเนี่ยบางคนแค่ได้ยินก็อู้ไม่ไหวแต่ทําไมพี่ยังรู้สึกเฟือนเพราะทําจนมันเป็น น, นิสัย ที่เกียรก็ทำํำขยันก็ทํานี่แหละนิสัยทีเนี้ยเปลี่ยนนิใสัยใหม่จากมันเคยไหลไปตามอารมณ์และความคิดให้มันมีสติอยู่บนฐานเนี้ยไม่ใชนจะเรียกกรรมฐานทำไมฐานที่ตั้งแห่งจิตนี่แหละลมคือลมหายใจนี่แหละไปวิ่งหาอะไรอยู่จิต ม, มันเสพอารมณ์อยู่แล้ว ต่อให้เราไม่วิ่งหาอะไรมันก็เสษของมันอี้แล้วมันปรุงขึ้นมาแล้วมันก็เสษของมันไงเดี๋ยวมันคิดถึงคนนั้นเดี๋ยวมันคิดด่าคนนี้แล้วอารมณ์ที่มันเสพนี่แต่มันไหลลงต่าวันใดที่เราไม่มียังไม่เห็นโทษของความคิดเราไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เราคิดนั่นแหละคือแดนเกิดทีนี้แล้วมันน่ากลัวไหมแต่เราไม่รู้เราคิดเรื่องอะไร เวลาเรากลัวขึ้นมาเวลาเราป่วยขึ้นมาเราสามารถคอนท้นให้มันคิดถึงกุศลที่เราทำมาได้ไหมทำได้ไหมไม่ได้ไม่มีทางถ้าไม่ฝึกเพราะฉะนั้นลมหายใจถึงสำคัญมากนี่แหละคืออนุสัยใหม่ทีเนี้ยทาไมการทาทานอย่างเรวถึงไม่พ้นนรกเพราะนี่แหละตัวสติปัญญานี่แหละมันไม่เข้าไปตัดกระแสตัวนี้ มันยังเป็นความพอใจยังเป็นภายนอกแต่มันจะเป็นอนุใสสืบไปทำไปด้วยทำควบคู่กันไปด้วยทำเหตุไปภาวนาไปด้วยควบคู่กันไปด้วยอย่าทิ้งพอวันหนึ่งเรารู้แล้วว่าทุกคนเกิดมาตายเนย่แต่ทำไมความตายถึงรู้สึกอยู่ห่างไกล เพราะมันไม่ไ ม, ไม่ไม่เคยวกกลับมันไม่เคยหยุดแม่แต่ถ้ามันอยู่กะลมตลอดมันจะเห็นเลยว่าขนาดลมหายใจยังไม่เที่ยงมันจะหยุดหายใจเมื่อไหร่ก็ไม่รู้มันเจ็ดหัวปวดท้องมันไม่เคยมีฟ้าร้องมาก่อนเหมือนฝนจะตกนะ <c oughs> ไม่มีสัญญดยามเตือนมาก่อนนะเวลาจะตายเหมือนกันนอกจากมันเหมือนเราซ้อมไว้อะซ้อมซ้อมซ้อมทุกวันรอแค่ขึ้นใช่ขึ้นชก ขึ้นชกจริงคือขณะตายนี่แหละแต่ถ้าเราบารมีถึงนะมันให้เห็นเลยตายก่อนตายเป็นยังไงมีบารมีที่มีคนที่ปฏิบัติได้ไม่ไม่มีเลยหนีมามีคนปฏิบัติที่มีคนปฏิบัติฮ่าฮ่า่าฮ่าฮอค่ะเอ่อเราดูลมเนี่ยค่ะแล้วความคิดมันเข้ามา เราต้องสลัดมันทิ้งไหมคะแม่เราสลัดมันไม่ได้ครับพี่เพชรแต่แค่เรารู้ทันมันจะวางตัวนั้นแล้วเราไม่ต้องเราไม่ต้องไปจํากัดมันใช่ไหมไม่เราดูลมเราตามสิงสิ่งเดียวที่เราจะทําคือลมหายใจเราอย่าไปยุ่งกับความคิดแค่มันคิดขึ้นมาเรารู้รู้แล้วดึงลมเลยอ๋อแล้วก็คิดขึ้นมาดึงลงคิดขึ้นมาดึงลงคิดขึ้นมาดึงลงทํำอย่างนี้ไปเลยค่ะเดี๋ยวขบวนการนี้เวลาเราอยู่กับลมเยอะ เวลาความคิดผุดขึ้นนะเราจะเห็นเลยว่าเฮ้ยกูอยู่กัะลมน ะ, ะแสดงว่ามึงไม่ใช่และค่ะจะเห็นมันแยกออกจากกาันการแยกคาดแยกขันจริงๆไม่ใช่คิดแล้วนะค่ะแต่จะเห็นด้วยกาลังของสติปัญญาบนฐานเนี่ยค่ะอ้าวกูอยู่กะลมแสดงว่าไอ้นี่มึงไม่ใช่แหลวะวมึงไม่ใช่แหล้วแตะขนาดขนะที่ดูอยู่เนี่ย อยู่เหมือนมันจะเข้าแล้วอยู่มันมันหายไปเลยเหรอคะมันเป็นมันมันเป็นยังไงแม่หมายถึงเราขณะเราดูลมอยู่ความคิดหายไปเหรอคะใช่ค่ะความคิดมันจะหายไปชั่วขณะใช่ไหมคะเพราะว่ากำลังสมาธิที่มันละเอียดมากขึ้นอืมจิตเนี่ยเวลาที่ลมมันละเอียดมากขึ้นนะคนที่บอกหยุดคิดไม่ได้คนนั้นไม่เคยเข้าฌานเลยอืระบบฌานนี่คือต้องอาศัยความคิดนี้ที่เข้าไปสงบ ก, ก่อน ลมจะสั้นสั้นสั้นสั้นเหลือแค่การกระทบนิดหนึ่งแล้วความละเอียดจะเบาเป็นปิติๆซาบสั้นขึ้นมาทีเนี้ยระบบความที่ทพี่แทบไม่มีเลยอ่ะอมีบางๆแต่ตัวรู้จะมีชัดเจนม่ค่อยดมากอมันเป็นระบบชารช่วมใชเ่เป็นระบบที่ดี จเจริญขึ้นจเจริญขึ้นถ้ามันมีตัวรู้อยู่เรายังรู้อยู่ลมมีเราก็รู้ลมกระทบเราก็รู้ลมน้อยเราก็รู้ไม่หายใจเราก็รู้ตัวที่รู้นี่แหละคือสติเราจะรู้เลยพอเราดูไปจัดๆนะเอามันไม่หายใจมันก็อยู่ได้มันไม่ตายมันจะเหลือลมภายในกายเหลือนิดหนึ่งหเหลือปัป๊บๆๆในท้องเราแต่มันไม่รู้สึกถึงการหายใจที่จมูก ลมมันจะ ส, นสั้นสั้นสั้นสั้นจนหาลมไม่เจอค่ะแต่คนที่ไม่เคยเป็นมันเหมือนแบบมันมันกลัวมันกลัวว่ามันจะตายว่ามันมันไม่หายใจมันหลอดดูเขาไปเลยเราถือวา่าเราเคยใช้มาอย่างหนักอย่างน้สมมติเแทบพ้นเนี้ยแทบพ้นไม่ไหวเพราะว่านักปฏิบัติเนี่ยส่วนใหญจ่จะเจอแบบนี้ทช่ไหมครับเจอเวทนาที่แบบหนักมากเกิดขึ้น ในระมังที่บางคนเนี่ยจะจะจะมันจิตเนี่ยที่มันยังไม่เป็นสมาธิมันมันมันยังไม่วางกายมันจะปวดขามั่งคันมั่งยุกยุกยุกยแต่เวทนาจริงๆอ่ะมันไม่ใช่เวทนากายถ้ามันปวดจะจัดแล้วก็ลุกเดินให้มันคลายจาก็งั้นเพราะจิตที่มีความทุกข์เนี่ยการก้าวข้ามเวทนาจริงไม่ใช่นั่งให้มันเพื่อหายปวดนะแต่จิตที่มีความทุกข์มันจะไม่สามารถเป็นสมาธิได้หรอก สมาธินี่คือความพอดีมันจะเห็นเลยว่าแม้แต่ขณะนั่งแม้แต่ถ้านั่งวางคออะไรแหละมันจะพอดีมากนะพี่คงถ้าสังเกตดีๆถ้ามันเคยเป็นจังหวะไหนมันจะจับอาการนั้นแม้แต่การวางมือมันจะเข้าไปสงบสงบค่อยๆลงสั้นสั้นส้นส้นส้นความรู้จะชัดเจนมากถ้าเวทานาตัวนี้เกิดขึ้นเราก็ลูปเดินก็ได้แต่ถ้าใครแบบคิดว่ามันเจ๋งจริง แข่งไปเลยแต่มันจะรวมยากการก้าวข้ามเวทนาไม่ใช่ข้ามตรงนี้เวทนาที่ที่เราเก้าวข้ามหมายถึงเวทนาจิตเีนี้ยเวทนาจิตตัวนี้คือขัดใจฟืนใจไม่ใช่เวทนากายตัวนี้ถือเป็นเวทนากายกิเลสไม่ได้เกิดที่ขานะ <c oughs> ไม่ได้มาข้ามตรงนี้เอ่ บางสิ่งบางอย่างมันมันด้วยนิสยัยแม่คืออย่างหนูนั่งเนี่ยหนูรู้แล้วหนูหนูเป็นคนไม่ค่อยนั่งหนูรู้แล้วว่าหนูนั่งมันไม่ไม่ค่อยเนี่ยหนูนอนหนูนอนดูเพราะตัวดูจริงๆอะ่ะซึ่งแต่บางคนบอกนอนแล้วหลับเลยหนูไม่หลับคือเราต้องสังเกตตัวเราเองว่าเราอยู่กับอะไรแล้วสติเราตั้งมั่นขึ้นเราอย่าไปเอาคนอื่นเป็นบาดฐานแต่เราให้ดูตัวเอง บางคนทําได้ทําไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะแต่ทําไม่ได้ไม่ใช่ไปฝืนเราไปฝืนยังไงมันก็ไม่เป็นสมาธิหรอกฝืนเหมืนทีอย่างที่เกีเไรไ<ช>ยร์ที่แบบเป็นไปไกลใช่ค<ว>ุณเจ้าบอกว่าสมาธิความพอดีเพราะหนูเคยนั่งแรกๆช่วงปีแรกๆเลยที่ห่ดหนูบังคับตัวเองพุดโธบังคับพุดโธคือมันบังคับตัวเองพุดโธรจนอ้วกแตกอะ จะบังคับขนาดไหนไม่ต้องพูดถึงปวดลุกขึ้นมาเดินอ้วกแต่เลยคือมันมันฝืนจัดจนจนจนแบบโอ้ฉันไม่นั่งนี่ลนะแต่คล้ายๆกับพอวันสองวั น, าวนอาการเริ่มนีอานั่งไหมมานั่งมันั่งเหมือนเริ่มนี่แหละนั่งดูทีเนี้ยภายในเนี้ยมันสังเกตมันสังเกตเหมือนมันเป็นภาพมนโนขึ้นะเหมือนมันมโนเป็นถ้กลางภูเขาเหมือน เหมือนเหมือนมีแม่น้ำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเอาความรู้สึกเข้าไปอยู่ในน้ำอ้าวกลับสบายทีเนี้ยไม่ได้ภาวนาไม่พูดโพไม่อะไรเลยแต่เอาความรู้สึกเข้าไปอยู่ในตรงนั้นเหมือนสร้างยิบิขึ้นมาเองอ่ามันเห็นชัดเลยว่าทีเนี้ยอ๋อแต่ก่อนเราจะนั่งสมาธิเพื่อจะเอาความสุขแต่จริงๆสมาธิตอนนี้มันอาศัยความอดีอาศัยความสุขที่หล่อเลี้ยงก่อนต่างหา มันถึงเป็นสมาธิมันจับสุดตัวนี้ได้มันจับเลยทีเนี้ยมันไม่ดูอะไรทั้งสิ้นนั่งมโนอย่างเนี้ยหายวุบลงไปอยู่ตรงนั้นทั้งวันอยู่นั่งอยู่ได้เป็นวันละสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงแต่ไม่รู้อะไรเลยนะรู้อยู่แค่นั้นแหละมีความรู้สึกแค่สบายแต่ว่าสุดก็ไม่สุดแต่มันสบายเฉยๆ ขนาดที่เกิดมาเราจะวางผิดแรงให้มันความร้อนอุยกรรมหายลมเบาลยางลมหายใจไม่มันต้องเรียนรู้ลมสิ่งที่แม่ทิพย์พูดคือมันมันตัวร้อนตัวเนี้ยถ้าพูดโดยภาษามันเป็นลักษณะของการเผากรรมมันเป็นลักษณะของดวงตาเรียกปรับธาตุปรับภายในคืออะไรที่มันติดข้างในเรามันจะปรับใหม มันไม่สามารถที่จะทําอะไรมันหาได้แต่มันจะเป็นการเรียนรู้แหละทีเนี้ยทุกจริงจริงไม่ใช่ตัวหนังสือทุกจริงจริงคือทุกอะผู้เจ้าบอกทุกให้กําหนดรู้เนี่ยเห็นไหมเวลามันทุกเกิดขึ้นมาปุ๊บสบภาพทุก์ที่มันเกิดขึ้นเรากับยกยกยนะอยากหายการเกิดปัญหาอยู่แล้วนะเห็นไหมอยากหายโดนต้องการรู้อะจะวางอ ย, าาย่าง อ้หนูก็อะไรหนูกำลังจะอธิบายไปหนูกำลังจะอธิบายไปเพราะว่าพอเราเรียนรู้มันะเราอยู่กับมันเยอะๆอะไรที่เราอยู่กับมันเยอะๆเราต้องเราเราถึงจะรู้ว่ามันเป็นยังไงแงมันเป็นยังไงหายใจเข้าอย่างนี้เป็นอย่างนี้หายใจเข้าอย่างนี้เป็นอย่างนี้เวลามันร้อนมากๆเราจะใช้อะไรปะการที่เราอยู่กับลมเยอะๆทุกแง่ทุกมุมนี่แหละไม่ทิพมันจะสังเกตได้เลยเวลามันร้อนมันจ้องอยู่ภายในหนูถึงดวงตาบอกว่าให้ไปนั่งอยู่ ที่รล่งๆเอาความรู้สึกออกไกลๆเอาความรู้สึกออกมองคือไม่ต้องหลับตามองออกกว้างๆมองเหลือบซ้ายแลขวาม อ, ง, อ, อกงกว้างแล้วเอาความหายใจเข้าช้าๆตามองออกข้างนอกมันจะเหมือนแบ่งครึ่งกิจเนี่ยมันจะไม่เพ่งเกินไปตัวนี้คือมันเพ่งเกินไปมันไม่ออกข้างนอกมันเลยร้อนเป็นสภาวะขึ้นมาแต่มันจะเรียนรู้จากตัวนี้แหละแต่วันหนึ่งที่เมทิพย์อยู่กับมันมากๆ เดี๋ยวก็อยู่กับมันได้เดี๋ยวมันจะมันไม่หายนะมันไม่หาย<ม>อาการทุกหมดเหมือนเดิมแต่ต่า<อ>งหางหาลวงตาเคยใช่ใช่เริ่มเรียนรู้จอยู่กับเขาหลวงตาเคยเปรียบเรื่องพวกนี้เป็นแผเป็นช่วงหนูมาอยู่แรกๆหนูก็ร้อนร้อนร้อนจนร้อนจนนั่งร้องไห้อ่ะร้องไห้ทั้งวันแล้วก็หนูจะมีผ้าเย็นแล้วก็มีน้ําข สัปคบกลางหน้าอกคือมันจะร้อนช่วงกลางหน้าอกแล้วก็หัวเวลาอารมณ์อะไรที่ผิดปกติจะร้อนมากร้อนจนตัวแดงตาในสีตาแดงหมดเลยนะตาขาวนี่นเป็นสีแดงเลยหน้าบวมหมดเวลาร้อนน่ะชิ่งออกกิชงกาแฟได้เลยร <c oughs> ้อนจัด ท, ที่เราเรสมาธิระหว่างตาเหมือ น, น, นมีานอกอ่าได้ อะไรก็ได้มันไม่ได้เกี่ยวเลยแม่ลืมก็ได้หลับก็ได้ตายเพราะสมาธิตัว น, นี้เริ่มเป็นเองเริ่มไม่ได้เกี่ยวกับว่าเราจะนั่งหรือเราจะเดินมันบังคับเราด้วยมันไม่ยอมให่เราอยู่เฉยๆหรอกมันจะบังคับให้เราเดินเดี๋ยวให้นั่งเดี๋ยวให้อันั้นอย่างนี้เพรนอนไม่ได้นอนยากมากพวกเป็นอย่างนี้จะรู้เลยว่าสติที่ตื่นไม่ใช่แค่ภาษาแต่มันนอนไม่หลับมันนอนยากมาก เราเราทัวได้แ yeah like ่เจอกุกเราจะทำตัวแบบรี่อจ้าหลยๆคนถ้าเรไป็จไปที่นะเพราะพาจริงๆแล้วแต่สมมติฐานทางเขอกว่าถ้าเราไม่มีเราจะพูดตเองาไม่ได้พูดถึเรื่องถูกเลยนะไปย้อนอ่ไม่ได้ทุกสมุทยยี่นอมาก ทุกคือส ¿oh ิ <t ort ing> <Muchas> ่งที่คอกำหนดรู้ตัวไทยคือสิ่งที่คนละนะเอียดอ่รับทุกไม่ใช่ใช่นทางเนาะมีรู้มันค่นะอะไรเรารู้อยู่กับอาจารเราจะเห็นเย่าไอ้ที่ความคิดที่ฝุดขึ้นแล้วเรารู้ไม่ทัเราจะเห็นเะว่าโนโนกรรมเป็นนี่ละเอียดมากทีุ่ดแค่เราคิดเปียเียท่นั้นอาการมันจะร้อนท่ส มันจะมันจะไม่มีคำพูดเ ร, เราจะเห็นแล้วเราจะเห็นกรรมันเงี้ยทุกสิ่งทุกอย่างที่เราแสดงวนกับมันสิส่งแรกที่เราได้คนแรกที่ได้รับคือตัวเราเองที่ด้เรียนตัวเองนั่นแหละเรียนเองมันถึงกลัวย่างเงี้ยพรอมันรู้อย่างเงี้ยมันจะกล้าคิดไหมยี่เนี่ยมันเข้าถึงมีมันไม่กล้าคิดหรอกคิดดีเลยหนึเหมือนคนถือไม้ฟาด กับเองเลยฮุกเนี่ยเห็นไหมมันจะดับแม้่ามันมันมันรู้ว่ามันไขมันมเองพอมันเราไม่สามารถใช้แทนอะไรได้ทำมันเริ่มทำงานในมีนักการที่ลืมลืมแล้วก็บสะสได้เลยนะันจะเป็นไม่ใหม่ๆนั่นสลัดกันไมต่ลืมลืมไปหน่อลืมลืมเนี่ยทุิงทุกอย่าลืมวางไม่นม่ไมแต่ทำให้ลืมขนาดปัจจุบันนะ สติที่เรียนมีความรู้สึกตัวแต่มันจะสลับของใหม่สลับสลับสลับมันไม่จับก็จะทำว่ามันสลับกันยังการสัมผัสของมัก็ต้องเกี่ยนไปเรื่อยมันจะไ่ได้อยู่เดี๋ยววันนี้มันจะชัดเจนที่ไหนไหมอ๋อมันจะมีการในขณะที่มันยังคงอย เราไม่สามารถแยกได้หรอกว่าอะไรอะไรอะไรคืออะไรแต่เรียรู้ดานเดมดสติมเเดิมยอทก่างจัดเจนนีวันไหนที่น้ำมันใสมันะเเระหว่างเหตุที่เกิดเฉยเฉยกับกับคำว่าสติกับคำกับคาว่าอันหาต้อแก้อย่างนีมันเอะนะบางอย่างมันว่าอะไรอ่ะเราอยู่ทางโลกมันแยก แก้ไปตามแต่มันคล้ายแบบว่าได้เท่าไหร่มันจะไม่ครบอ่ไม่แค่ว่าปล่อยทิ้งนะปล่อยวาง่แต่มันปยว่ามันจะาัว่าอะไรเอลีวันนี้ที่ยองทำก็คือเป็นส่วนสติแน่ก็มือสติเมันค่ะมันเป็นสติแบบแบบทางของเราดาเนินไปเพราะมันยังรักษาตัวนี้ออ่า มันก็ถูกอ่าถูกในแบบของลรที่เราดาเนินไปมันจะยิงขางโลกใช่มันยิงอยู่แล้วแม่มันเนื่องกันอยู่แล้วเพราะตัวจริงๆภายในว่าเราทำอะไรตั้งหาแต่แต่แต่ถ้าเหตุเที่ยงดูข้างในนะว่าอ่มันมีกับเรื่องมัแต่โยงนี่ก็แก้ปัญหาไปตามหน้าที่ แันวไมได้มีความรู้สึกว่าจะต้องไปอยู่กัได้ก็ได้ไม่ได้ได้ก็ทำไปตามเหตุก็ต้องทำนาที่ที่ถูกต้องก่อนใช่ความใช่อันนี้เป็นธรรมะนะคะเป็นทุกอย่างเป็นธรรมะหมดไม่ใช่คิอเพราะว่าถือต้นเหไม่ใช่เราใช่กรถามว่า สาธุค่ะกล่าไม่ทีครับผมรู้ผมกโอเคค่กล่าวไม่ทีครับผมรู้สึกการรู้ลมหายใจมันเบามันสบายแต่การเพ่งไปที่จุดลมกระทบที่จุดจุดเดียวผมรู้สึกมันเหนึ่อแล้วตอนที่เพ่งแล้วมันสว่างขึ้นมาผมก็ไม่ได้ไปตามผมทำถูกไหมครับผมควรเลือกปฏิบัติแบบไห น, น มันจะพูดยังไงอะคือเล่นอะไรรู้อะไรที่แัทเล่นไปก่อนเล่นไปมันรู้ด้วยตัวเองว่าอะไรเหมาะกับเราอย่างเล่นเล่นแล้วเป็นแสงเนี่ยเข้าไปเหรี่ยงใช่ไหมบางคนอยู่กะลมยาวได้บางคนอยู่กะลมลับการกระทบได้คือลักษณะของลมถ้ามันอยู่จริงๆเนี่ยอยู่อย่างเนี้จริงๆมันจะหายใจยาวนะ แต่คนเรามันไม่รู้สึกมันจะรู้สึกหายใจแค่นนิดนึงแต่ถ้าเราชินในการหายใจยาวการหายใจเข้ายาวออกายาวมันจะมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมคือความรู้สึกมันจะแน่กับลงเข้าไปลึกได้แต่ถ้ามันการดูตัวนี้ไม่ใช่ว่าต้องนั่งต้องต้องอะไรนะแต่คล้ายๆกับทุกขณะแต่ถ้าจะเอารายละเอียดเอาความละเอียดจริงๆต้องนั่งนั่งดู หาที่สงบนั่งนั่งนั่งนั่งดูดู ด, ดูมันจะเห็นเลยว่าลมเนี่ยมันจะค่อยๆค่อยๆสั้นสั้นสั้น้ น, น, น, นจนเหลือแค่การกระทบจากที่เราหายใจยาวๆนี่แหละสติมันจะละเอียดขึ้นมันจะจับจับได้แค่ปลายจมูกทีเนี้ยจับได้แค่การกระทบนิดนึงพอมันหลุดจากตรงเนี้ยมันจะเป็นแสงขึ้นมาเป็นแสงได้เล่นแสงได้เล่นไปเหอะอยู่กับอะไรก็ได้เรียนรู้ให้มันรู้ด้วยตัวเอง ว่าเราอยู่กับอะไรแล้วสติเรามีกำลังมากขึ้นมันวัดกันที่สติ okay. Okay. บางสิ่งบางอย่างมันมันอยู่ที่จลิตนิสัยแม่พูะเจ้าพูดถึงเรื่องอุคขะนิมิตอุขะนิมิตนี่เล่นได้นะแต่เล่นอย่างเล่นด้วยความมีสติอไม่ใช่คือมันมันจะมีบางสิ่งบางอย่างมันจะด้วยนิสัยบางคนคือพอมันเป็แสง มันจะเริ่มสว่างจิตเริ่มสงบมันจะเป็นกำลังบิจีขึ้นพอมันสงบปุ๊บลงไปบางคนจะเป็นยูนิตซ้อนขึ้นที่นเงี้ยเนี่ยแหละมันจะขาดสติตัวเนี้ยพอมันตามไม่ทันมันจะออกไปเป็นในสิ่งที่มันแสดงขึ้นมาแต่ตาบได้ที่เรายังรู้อยู่มีอะไรเกิดขึ้นอยู่กับลมรู้รู้รู้ไว้เห็นเห็นตัวรู้ตันี้ตัวนี้เป็นสิ่งที่ถูกรู้ คนที่หลงนิดนีดคือคนที่ออกไปรู้เลยไปยึดว่าตัวนั้นกูรู้างเนี้ยไปยืนรู้อยู่ข้างนอกเห็นพญยนาคก็เห็นจริงๆนะเห็นเทวาดาเห็นอะไรเห็นจริงหมดแต่มันไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เห็นมันไม่จริงความเฉลียวสบิปัญญาที่จะวกกลับมาแทงตัวนี้ไม่มีเลยทีเนี้ยแต่ถามว่าเล่นได้ไม้มเล่นได้นะคือเพ่ง เพ่งหนูหนูฟังลวงตานี่แหละหลวงตาพูดบอกว่าเล่นจนจากที่มันเคยเป็นจุดมันจะเป็นวงจากเป็นวงมันจะขยายเล่นจนมันเปลี่ยนสีคือคือเราตั้งอ่ะกําหนดเอาเปลี่ยนสีแดงสีเขียวสีอะไรจนมันเป็นตามที่เรากําหนดนั่นคือใจเราเริ่มมีกําลังขึ้นมากําลังจิตเริ่มตั้งมั่นขึ้นมาจน เขาเรียกอะไรย้ายไปย้ายมาย้ายตามตามที่เรากำหนดมันได้นี่จากที่ตอนแรกมันเป็นอุก้าจนิดนิดพอเราสั่งมันได้มันจะเป็นปฏิภาคนิดนิดถ้าระหว่างตัวนตนนเนี้ยจิตการนิดนิดเนี่ยรวมกันรู้ได้เหมือนกันทีนี้ดับได้เหมือนกันแต่คนส่วนใหญ่มันทาไม่ถึงส่วนหนูเองหนูก็ทาไม่ถึงมันยังมีตัวรู้และสิ่ง ตัวหูรู้อยู่มันยังไม่รวมกันแต่ผู้เจ้าบอกเล่นได้ใช่มันขึ้นอยู่กับนิสัยบางคนเคยบําเพ็ญเรื่องพวกนี้มานานเล่นเรื่องเล่นลิบมานานแต่พวกนี้ถ้าท่านเล่นเยอะมันจะรู้คนอื่นเนี่ยตัวติดตัวเนี้ยมันก็ออกรู้มันจะรู้ข้างนอกออกรู้ไปหมดนั่งอยู่เงี้ยรู้หมดเลยเขาทําอะไรยังไง แล้วมันรู้จริงด้วยนะแรกๆอ่ะตื่นเต้นสิที่เนี้ยเอาจริงๆหลังๆเนี่ยปรุงขึ้นเอ ง, ง, เเองใช่หลังๆจะเป็นชิดเองเพราะกำลังตรงนี้จะหมด ค, ค, ค่ะคู่ค่ะเวลาหนูนั่งสมาธิลมละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นแต่ที่รู้สึกได้เลยคือมือที่วางซ้อนกันมันหนักมากเกิดจากอะไรคะ กำลังสติที่มันเละเอียดขึ้นนี่บางทีเนะี่ยไม่ใช่มือหนักนะมือ ใ, ใหญ่ใหญ่เหมือนเหมือนเท่าแขนเลยบานเหมือนใหญ่ออกตัวนี่เหมือนเต็มบ้านเลยเป็นกําลังสติตัวหนึ่งเป็นิติตัวหนึง่งเป็นแค่นน ข, ขนาดนีนนใ้ใช่ใช่มันจะเป็นแค่ตอนช่วง ท, ทํงาหม่ใหมใช่ใช่เป็นเป็นลูกเล่นใหม่ใหมใช่ค่ะใช่ เดี๋ยวมันก็ผ่านแต่มันก็เรียนรู้ไปเนี่ยเวลามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยฉันจะแบบหนูเป็นอะไรอะไรมีแต่อะไรตั้งคำถามหาคำตอบดูดูดูเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนแต่ตัวปีติตั้งข้าว่ใช่ไหมถ้าเป็น้าเริโยยังไม่ใช่ได้หนมันก็กไรนเชื่อไหมว่าปีติจริงๆเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับนั่งละ พอจิตที่มันเริ่มมีกําลังมันเริ่มเจริญชานขึ้นมาตัวเนี้ยเราเดินเดินอย่างนี้มันก็ว่าว่าวาขึ้นเลยอืมอะไรขนของใช่ใช่นั่นแหละปีติใช่ใช่ค่ะโอ้ก็แปลว่าเราไม่รู้ด้วยว่าอาการนี้เขาเรียกว่าอะไรแต่สิ่งที่เป็นเนี่ยเขาเรียกว่าปีติอย่างเงี้ยอ่าหนูก็ไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรเอาแต่มันอาการมันเหมือนตอนนั่งเลยเนี่ยอ่า ไม่ทุกวันนี้ก็เป็นแม่ไม่ทิพย์ยมเนี่ยยมไม่รู้ผลเนี่ยแต่พอเป็นก็เหมือนเห ม, มือนอ่าเหมือนไม่ทิดเนี่ยแค่เข้ามายังไม่ได้กำหนดสมาธิอะไรเลยทำไมวูบวูบขึ้นอย่างเงี้ยอย่างเมื่อวานเนี่ยเห็นไหมถ้ามันเป็นเองอะยมหาอ่ามันบังคับได้ไหมอะทีเนี้ยบังคับไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับเจตนาเลยยมงานกัาเป็นแบบนี้ มันไม่หายหรอกแค่กําลังปิติเพิ่มขึ้นมันอะไรที่แรงขึ้นมันจะไปจับตัวนั้นจิตเนี่ยอาการจะร้อนมันก็ยังมีอยู่แต่อาการของดิติมันคุมไว้เฉยพอกําลังดิติลดลงมันก็ร้อนขึ้นเหมือนเดิมเราจะเรียนรู้ทุกเรียนรู้ทุกอาการนี่แหละมันไม่ได้ไปท่องจากหนังสือแล้วมาท่องจําเพื่อที่จะดับทุกนะแต่ทุกจริงๆที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ย เราเรียนรู้ตรงนี้ดังค่ะไม่มีชื่อด้วยว่าอะไรใช่มันยังไม่ต่อเนื่องใช่ใช่แต่มันดีจริงทั้งหใช่เดี๋ยวมันจะค่อยๆวางของมันเองถ้าเราอยู่กับมันเยอะๆเนี่ยแหละตัวปัญญาที่แท้จริง คืออาการอะไรเกิดขึ้นแล้วไม่เข้าไปนี่แหละปัญญาทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันจะเข้าไปเป็นหมดเลยนะจิตเนี่ยใช่เราไม่รู้อยู่แล้วหลงคือไม่รู้ไม่มีใครผิดใครถูกนะหลงคือไม่รู้ถ้ารู้เมื่อไหร่ก็หายหลงเมื่อนั้นมีแค่นี้มีแค่ น, น, <c oughs> น, ค น, นี้จริงๆพ่ออะไรเราพี่น้อง อท่มมาราทามาค่ะ่ั่นทีค่ะถ้านั่งแล้วรู้สึกตัวโยกเหมือนเราแยกออกจากตัวเราเป็นสามคนรู้สึกโยกโยกค่ะติ๊ดก็ดูไปมันเพื่อเนี่ยมันมันชื่อสิร่อยโอ้ยยังไม่คิดว่าจะค้องหัวใดๆเลยอ่าการทีดด้อย ผมพอจะวางกายได้ไหมครับกายเป็นทุกข์ใจเห็นทุกข์แต่ใจมันบอกว่าไม่มีไม่เป็นอะไรทั้งนั้นใจโล่งสบายเลยครับ <c oughs> แล้วใครเราเป็นตัวบอกมันวางได้ไม่จริงหรอกเพราะมันคิดแก้คิดอยู่มันยังคิดอาศัยอะไรเกิดขึ้นยังคิดคิดแต่ถ้ามันวางจริงไม่มีคําพูดมันไม่มีอะไรเลย แล้วเที่ยวไหมมันนี่มีอะไรให้วางด้วยเพราะมันไม่หยิบตั้งแต่แรกเหมือนการปล่อยวางนี่แหละมันเป็นภาษานะจริงๆมันไม่ได้มีปล่อยอะไรวางอะไรแต่อาการที่มันไม่เข้าไปนี่แหละมันเห็นนี่แหละเขาเรียกว่าการปล่อยวางแล้วมันสบายหน้าตาเหมือนกันนะปล่อยวางหน้าตาก็คือที่สุดแล้วแม่คือศูนย์คือจบหมดแล้ว เอกเอกะสุญญตามันเป็นภาษาเฉยๆนั่นเป็นภาษาแล้วคนสหมนมากติดภาษายึดติดกับกับภาษาแต่เนื้อทาเนื้อสภาวะจริงๆไม่มีภาษาทีเนี้ยไม่ใช่อยู่ดีๆติ้งโสดาบันนี่มีนะติ้งอลงหังงนนี่ไม่ใช่นะไม่ใช่ขึ้นริฟ การการการพัฒนาของาจะเรื่องการทจนถึงขั้นสูงมันเป็นไปตามทีละสเตจสจลขั้นบางคนก็ีลนี่านกนอกออาอแต่บางคนจะี่องท่ อยู่ที่สิ่งที่สังคมไม่สูบุปการ์ถูกต้องบุปการกับกรรมบางคนบอกข้าตายจะกั้นจอะไรัน่้ไกเฮ้เวลามีอะแ้วดีอ้้อนอ เพราะว่าอะไรเพราะนิสัยที่สั่งเหมือนกันดูสิ่งที่เขาทำสิเพึ่งมาทำอะไรที่เราทำมานานสิ่งนั้นเราจะทำง่ายเหมือนหลงการหลงการให้ไม่ได้คิดหลงการถ้าอะไรพ่อใจที่ไม่ข้อง โอ้โหโโบบบตัวระก็เจ้าภาพเขีตัไฟอยู่เพ่มเดียวครับตัวของเจ้าภาพเขา อันนี้เป็นมวยในรอบเวลามวยท่ามนี้ลงจังหวัดขึ้ใจ่ลอเ่